เสร็จแล้วเขาก็สร้างโรงจงกรมถวายพรพประเจกพรพุทธเจ้า500นะแล้วก็อาราธนาให้พระประเจกับพุทธเจ้าอยู่ณที่นั้นเมื่อการผ่านไปอย่างนี้ชายแดนของพระราชาก็กำเริบแสดงว่าพระราชารวยมากนะกริย์ ต, ต่ตางบ้านต่างเมืองก็อยากชิงเอาบ้างพระราชาก็รับสั่งกับพระเทวีว่าฉันจะไปทำชายแดนให้สงบเธอย่าประมาทในพระประเจกพรพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วก็เสด็จไป เมื่อพระราชายังไม่เสด็จมาอายุสังขารของพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายสิ้นแล้วประวารณาว่าให้โยมตายก่อนเนี่ยพระดันหมดไปก่อนพระประเจกพุทธเจ้าชื่อว่ามหาปทุมเข้าฌานตลอดสามยามในราตรีเมื่ออรุณขึ้นยืนพิงแผ่นกระดานปรินิพานด้วยปรินิพานทาตุเข้าใว่าจุติจิตสุดท้ายของท่านเกิดขึ้นในอิริยาบถ ท, ที่ยืน พิงแผ่นกระดานคือในในที่เดินเนี่ยของพระถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยยุงไม่ค่อยชมเหมือนสมัยนี้นะเขาจะมีแผ่นกระดานแผ่นหนึ่งตั้งเอาไว้ที่หัวจงกรมเสร็จแล้วเวลาท่านยืนเนี่ยท่านจะยืนพิงเสร็จแล้วท่ก็ตรึกพระธรรมไปด้วยยืนพิงแผ่นกระดานแผ่นหนึ่งทีนี้พระมหาปฐมก็เหมือนกันท่านยืนในตรงนั้นแหละช่วงอารุณ์ขึ้นท่านก็จุติจิต แต่ก็เป็นจุติจิตของพระอรหันต์เขาเรียกว่าปรินิพานแม้พระประเจ ก, กับพุทธเจ้าที่เหลือก็ปรินิพานด้วยอุบายนี้5้ารรูปเนี่ยนิพานอิรยาบดเดียวกันหมดเลยยืนนิพานกันหมดในวันรุ่งขึ้นพระเทวีก็รับสั่งให้ทําที่นั่งของพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าทั้งหลายชาบปาด้วยของเขียวเกลียดอกไม้ทาการบูชานั่งแรดูพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าทั้งหลายมา รอให้พระมาบินทบาทนะนเมื่อไม่เห็นมาจึงส่งราชบุรุษไปว่าเธอจงไปจงทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่สบายหรืออย่างไรราชบุรุษไปเปิดประตูบรรณศาลาของพระประเจกพุทธเจ้ามหาปทุมเมื่อไม่เห็นณนะที่นั้นจึงไปยังที่จงกรมเห็นท่านยืนทิ้งกระดานแล้วก็ไหว้กล่าวว่าถึงเวลาแล้วพระคุณเจ้า ร่างกายดับแล้วจากพูดอะไรได้นะว่าไปนี่มณฑปอะถ้าแปลแบบธรรมดาเราก็บอกไปนี่มณฑปอะราชบุรุษก็คิดว่าเห็นจะหลับจึงไปรูปคลำที่หลังเทา้าก็รู้ว่าท่านปรินิพานเสียแล้วโอ้โหจุติแบบยืนจุติเลยอ่ะเพราะเท้าเย็นและแข็งกระด้างจึงเข้าไปหารูปที่สองที่สามก็อย่างนั้นรู้ว่าปรินิพานหมดแล้วจึงไปราชตักกูลรับสั่งว่าพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายไปไหน ไม่หสีก็ถามกราบทูลว่าข้าแต่พระเทวีท่าปเจกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายปริินพานเสียแล้วพระเทวีก็ทรงคร่ำครวญการแสวงร้องให้เสด็จออกพร้อมกับชาวเมืองไปถึงที่นั้นก็ให้เล่นสาธุกีฬาสาธุกีฬาก็คือเล่นแบบลักษณะสังเวชนะทำชาปนกิจชาปนะแปลว่าเผาเผาท่าปเจกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วก็ถือเอาธาตุก่อเจดีย์บรรจุเล่ารวบรัตน์นะวางงาน งานเนี่กี่วันกี่คืนไม่บอกอรูปรักไปพระราชาครั้นทําให้ชายแดนสงบเสด็จกลับตรัสถามพระเทวี ซ, ซึ่งเสด็จออกมาต้อนรับว่าน้องหญิงเธอไม่ประมาทในพระปเจกับพระเจ้ทาทั้งหลายหรือยังไม่ถามเรื่องอื่นถามถึงพระวันเป็นไงบ้างถ้าผู้เป็นเจ้าทั้งหลายสบายดีหรือทูลว่าพระปเจกับพระเจ้ทาทั้งหลายปรินิพานเสียแล้วเพ ค, คะพระราชาทรงดําเรว่าความตายยังเกิดแก่บัณฑิตเห็นป่านี้ ท่านน้อมเข้ามาหาตัวท่านเลยนะพวกเราจะพ้นความตายได้แต่ไหนท่านมีบุญมากมีฤทธิ์มากขนาดนี้แล้วเป็นพระอรหันต์ขนาดนี้ท่านยังตายเลยอะ่ะแล้วเราจะไม่ตายหรือเหือพระราชาก็ไม่เสด็จกลับพระเข้าพระนครเสด็จไปยังราชุทยานนั่นแหลรับสั่งให้เรียกเชษฐโอรสมาเชษฐาแปล ว, ว่าคนโตนะเรียกลูกชายคนโตมาส่งมอบราชสมบัติให้แก่โอรสนั้น พระองค์เองก็เสด็จบวชเป็นสมณะเพศแม้พระเทวีเมื่อพระสวามีผนวดก็ทรงคิดว่าเราจะทําอะไรได้จึงผนวดในพระอุทยานนั่นเองแม้ทั้งสองพระองค์ยังฌานให้เกิดจุติจากที่นั้นก็บังเกิดในพรหมโลกนะพระราชากับพระเทวีก็แน่จริงกันได้ฌานกันทั้งคู่แล้วก็ไปพรหมกันเมื่อทั้งสองอยู่ในพรหมโลกนั่นเองศาสดาของเราทั้งหลาย ทรงอุบัติขึ้นในโลกทรงธรรมจักอันบวรให้เป็นไปแล้วเสด็จถึงกรุงราชครึกโดยลำดับทีนี้ก็พูดถึงว่าปิพริมานบนี้เกิดในท้องของอัครมเหสีของกบิลพราในบ้านพรามมหมาดิตในแควนมคตนางพัฒนาปิลานีก็เกิดในท้องของอัครมเหสีของพราหม์โกียโคตในส า, านคราณครแควนมคต เมื่อเขาเจริญวัยโดยลำดับปิดพลิมานบอายุได้20ปีอานา ร, ราชาก็แต่เกิดเป็นพรหมตายจากพรหมก็มาเกิดเป็นลูกของพรามตอนมีอายุ20สปีนางก็นางพัฒาก็มีอายุ16มาดาบิดาก็แลดูบุตรข้าทันเหลือกเกินมาลูกเอ้ยลูกก็โตแล้วควรดำรงวงตระกูลมานบก็กล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่อย่าพูดถ้อยคาเช่นนี้ให้เข้าหูลูกเลย ลูกจะปรนิบัติตราบเท่าที่คุณพ่อคุณแม่ยังดำรงอยู่ลูกจกออกบวชภายหลังคุณพ่อคุณแม่ล่วงไปเล็กน้อยอันนะัก็คือเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวผมจะเลี้ยงพ่อแม่จนตายนั่นแหละไม่ต้องห่วงหรอกพอแม่ตายหมดแล้วผมจะบวชนะงั้มารดาบิดาก็พูดอีกว่ามาน ก, ก็ปฏิเสธเหมือนเดิมนั่นแหละตั้งแต่นั้นมามารดาก็ ยังพูดอยู่ไม่ขาดเลยนะแม่ก็กลัวจะเสียวงตระกูลเพรารวยมากอ่ะนะเดี๋ยวเอไม่มีลูกไม่มีหลานแลทรัพย์สมบัติจะเป็นยังไงมานพก็เลยคิดว่าเราจะให้มารดาของเราเนี่ยยินยอมจึงให้ทองสีแดงพันลิ่มให้ช่างเนี่ยหล่อรูปหญิงคนหนึ่งเสร็จแล้วก็ขัดสีรูปหญิงคนนั้นแล้วก็ให้นุ่งผ้าแดงให้ประดับด้วยดอกไม้สมบูรณ์ด้วยสีและเครื่องประดับต่างๆแล้วเรียกมารดามาบอกว่าแม่จ๋า ลูกได้อารมณ์เห็นปานนี้จึงจะดำรงอยู่ในเรือนเมื่อไม่ได้จักไม่ดำรงอยู่ถ้าหาเมียได้เหมือนทองคาอย่างเงี้ยจะจะอยู่อะจะแต่งงานถ้าไม่หาไม่ได้ก็ไม่แตง่งพามณีเนี่ยฉลาดก็เลยคิดว่าลูกของเรานี่มีบุญให้ทานสร้างสมความดีเมื่อทำบุญก็ไม่ได้ทำแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นจักมีหญิงที่ทำบุญไว้มากมีรูปเปรียบรูปทองเช่นกับรูปหญิงนี้แน่นอนนะ แม่เนี่ยก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้คิดว่าเป็นไปได้ก็บอกว่าต้องมีคู่บารมีมานี่ยแหละว่างั้นก็เลยเรียกพราหมณ์8ดคนมาสั่งว่าพวกท่านจงให้อินน้าสําราญด้วยความไข้ทุกชนิดแล้วก็ยกรูปทองคําขึ้นสู่รถไปเถิดพวกท่านจงค้นหาธาริกาเห็นปานนี้ในตระกูลที่เสมอด้วยชาติโคตและโภคะของเราต้องสวยแบบนี้นะตระกูลสูงเหมือนกันรวยเหมือนกันว่างั้น พวกท่านจงประทับตราไว้แล้วก็ให้รูปทองนี้นะไปเจอผู้หญิงคนนี้ปั๊บเอาทองอันนี้เนี่ยมั่นเลยพราหมณ์เหล่านั้นก็ออกไปด้วยคิดว่านี้เป็นกรรมของพวกเราก็เลยคิดต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนหนอก็รู้ว่าแหล่งของหญิงมีอยู่ในมัธยราชเพราะเราจะไปในมัธรัชจึงพากันไปในสาขะนครในมัธรัชพวกพราหมณ์นั้นก็ตั้งรูปทองนั้นไว้ที่ท่าน้ําแล้วก็พากันไปนั่งที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้งนั้นที่เลี้ยงของนางพัฒนาก็ให้นางพัฒนานี่อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ให้นั่งในห้องอันเป็นสิริแล้วก็มาอาบน้ําไปเห็นรูปทองคํานั้นก็เลยคุกคามด้วยสําคัญว่าลูกสาวนายของเราเนี่ยมาอยู่ที่นี่ให้เห็นเอ้ยทำไมลูกสาวเจ้านายเรามานั่งอยู่นี่ทําไมกล่าวว่าคนหัวดื้อเจ้ามาที่นี่ทาววําไมก็เงื้อหอคือฝ่ามือขึ้นตบนางพัฒนาที่สีข้างกล่าวว่าจงรีบไปเสียมือเนี่ยสั่นเหมือนกระทบที่หิน มตบเข้าที่ทองคำจะไปรู้สึกอะไรพี่เลี้ยงก็หลีกไปก็เกิดความรู้สึกว่าลูกสาวนายของเราแต่งตัวกระด้างถึงอย่างนี้พี่เลี้ยงก็กล่าวว่าจริงอยู่ผู้ถือเอาผ้านุ่งนี้ไม่สมควรแก่ลูกสาวนายเราเลยคิดไปคิดมาไม่ใช่เนี่ยลำดับนั้นพวกคนแวดล้อมพี่เลี้ยงนั้นก็พากันถามว่าลูกสาวนายของท่านมีรูปอย่างนี้หรือนะพรามที่มาก็ถาม พวกนางทั้งหลายก็กล่าวว่าอะไรกันนายของเรานี่มีรูปงามกว่าหญิงนี้ตั้งร้อยเท่าพันเท่าเมื่อนางนั่งอยู่ในห้องประมาณ12ศอกไม่ต้องจุดประทีปมันะมีแสงออกจากตัวก็คือคื อ, คอนางเนี่ยก็คืองามกว่าคนทั่วไปธรรมดาแต่ก็ไม่ถึงกับเทวดาอะไรแต่ก็ว่าสามารถที่ผ่องใสาสามารถที่จะมีแสงอยู่ในห้องไม่ต้องจุดไฟอะ่ะทันแสงสว่างของร่างกายเท่านั้นก็กาจัดความมืดได้ พวกมนุษย์กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงมาก็เลยพาหญิงค่อมเหล่านั้นไปให้ยกรูปทองเอาไว้ในรถตั้งไว้ที่ประตูเรือนของพราหมณ์กศูศยาโคตรประกาศให้รู้ว่ามาพราหมณ์ทําปฏิสันถานแล้วก็ถามว่าพวกท่านมาแต่ไหนพวกมนุษย์กล่าวว่าพวกเรามาในเรือนของกบิลพราหมณ์ณบ้านมหาดิตในแควนมคตด้วยเหตุชื่อนี้พราหมณ์ก็กล่าวว่าดีแล้วพ่อคุณพราหมณ์ของพวกเรามีชาติโคตและสมบัติเสมอกันเราจะให้นางธาริกา แล้วก็รับบรรณาการไว้ก็คือรับมั่นไว้ก็คื อ, คอรูปไม่ต้องเจอกันนะเงี้ยรวยเท่ากันใช้ได้ตระกูลเท่ากันรวยเท่ากันพ อ, อพราหมณ์เหล่านั้นก็ส่งข่าวให้กับบิลลพรามทราบให้นางพัฒ ใ, ให้นางธาริกาแล้วก็โปรดทําสิ่งที่ควรทําเถอดมารดาบิดาฝั่งข่าวนั้นแล้วก็บอกแก่ปิดผลิมานนบว่าเขา ว, ว่าได้นางธาริกาแล้วมานนก็เลยคิดว่าเราจะไม่ได้ ก็มารดาบิดากล่าวว่าเราได้แล้วเราไม่ต้องการเราที่จะส่งหนังสือไปส่งจดหมายจึงไปในที่รับเขียนหนังสือว่าแม่พัทธาเธอจงครองเรือนตามสมควรแก่ชาติโคตรและโภคาของตนเธอเราจักบวชแอบเขียนจดหมายเลยไปหาคู่ที่คู่มั่นเนี่ยนะแอบเขียนเลยท่านอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังเลยแม่นางพัทธาก็ฟังข่าวว่านายะว่ามารดาบิดาประสงค์จะยกเราให้แก่ผู้นู้น จึงไปในที่ลับก็แอ บ, บเขียนจดหมายเหมือนกันเขียนหนังสือนะเขียนจดหมายว่าบุตรผู้เจริญท่านจงครองเรือนตามสมควรแก่ชาติโคตรและโรคาของตนเิอเราจะบวชท่านจะได้มีความร้อนในในภายหลังเลยนะคือทั้งคู่เข้ามาจากพรหมโลกอ่าก็บอกว่าสัตว์ที่มีมาจากพรหมนั้นไม่มีอัธยาศัยที่จะน้อมไปในโรคเสียงกลิ่นรถโพธาพะอะไรเพราะฉะนั้นหนังสือทั้งสองคนเนี่ย ก็ได้มาถึงพร้อมกันในระหว่างทางไปสเน่สมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันไปสเน่ก็คือคนในบ้านอะไรแหละไปส่งให้ถือจดหมายไปทั้งคู่พอไปในระหว่างทางก็เจอกันก็เลยถามว่านี้หนังสือของใครก็ตอบว่าของปิดผลิมานบส่งไปให้นางพัทธาเออแล้วก็ถามว่า น, นี้ของใครก็บอกของนางพัทธานี่ส่งไปให้ปิดผลิมานพอยันไทั้งสองคนก็เลยพูดขึ้นว่าพวกท่านจงดูการกระทําของพวกทารกเถิดดูนีเด็กๆ เ, เ, เขาเ ข, าเขียนอะไรกันก็เลยฉีกทิ้งในป่า คือเอาออกมาอ่านดูเอ๊ะมันยังไงก็เลยเขียนหนังสือเนี่ยมีความเหมือนกันก็ส่งไปให้ข้างนี้ข้างโนูน้นก็จากจดหมายไ ม, ไม่ไม่แต่งเนี่ยเป็นจดหมายแต่งแทนแต่ต่างจดหมายกันนะเขียนเองก็ได้ไม่รักก็เขียนไม่รักนะใส่แทนไปคนทั้งสองก็ไม่ปราถนาเหมือนกันนะั่นแหละก็ได้มีการอยู่ร่วมกันนะนะพราะสื่อแม่ชักจัด ก, การเรียบร้อยหมดก็ในวันนั้นเองมานพก็ให้ร้อยพวงดอกไม้พวงหนึ่งแม่นางพัะธาก็ให้ร้อยพวงหนึ่ง คืวันแต่งงานน่ะนะแม้ทั้งสองคนบริโภคอาหารในเวลาเย็นแล้วก็วางพวงดอกไม้เหล่านั้นไว้ที่กลางที่นอนก็เลยคิดว่าเราทั้งสองจักนอนมานบนอนข้าง ข, างขวานางพระทานอนข้างซ้ายคนทั้งสองก็กลัวการถูกต้องร่างกายของกันและกันจึงนอนไม่หลับจนล่วงไปทั้ง3ามยามคืนนั้นนอนไม่หลับทั้งคู่เอาดอกไม้มากันก้นกลางอย่าล่วงอธิปไตยอ่า ก็บอกว่าก็เพียงหัวเราะกันในเวลากลางวันก็ไม่มีไม่เคยนั่งคุยนั่งหัวเราะแบบทวนทั่วไปไม่มีคนทั้งสองไม่ได้ร่วมกันโดยด้วยโลกามิศเขาทั้งสองนี้ไม่ได้สนใจในสมบัติตลอดเวลาที่มารดาบิดายังมีชีวิตอยู่คือทั้งคู่ก็แต่งงานไปเหมือรั่วแต่งหรือเพื่อน ก, นก็อยู่ด้วยกันไปอย่างนั้นแหะเสร็จแล้วก็ไม่เคยสนใจในเรื่องทรัพย์มรดกอะไรสักอย่างทีนี้เมื่อ บ, บิดาถึงแก่กรรมแล้วจึงสนใจ ยังนะค่อยมาเป็นว่าเข้ามาดูแลสมบัติของพ่อมานพนั้นมีสมบัติมากวันหนึ่งควรได้ผงทองคำเนี่ยขัดสีร่างกายแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสิบสองทนานโดยทนานของชาวมคธนะเขาอาบน้ำเนี่ยเขาใช้ผงทองคํานะมาขัดตัวอาผงทองคำเนี่ยวันหนึ่งหลายกะล่าเอาเป็นผงทองเนี่ยละเอียดละเอียดมาอาบน้ำคล้ายๆกับเราใช้สบู่กันใช่ไหมเขาใช้ผงทองกัน แสดงผิวเหมือนทองเลยนะเขาผิวจะเอาทองเนี่ยมาขัดทีนี้ของเขาเนี่ยมีสระใหญ่หกสิบแห่งติดเครื่องยนต์คืออนณาบริเวณที่นาของเขาเนี่ยมีเขื่อนมีทำนกน้ำเนี่ยหกสิบแห่งแล้วก็สามารถที่จะดูดน้ำดูดน้ำเนี่ยขึ้นมาทำนาได้ตลอดเลยแล้วก็มีพื้นที่ทำงานสิบสองโยศ อนาบริเวณที่ดินเนี่ย12โยชน์12โยชน์ก็เอา16กิโลเมตรไปคูณ12โยชน์คูณ12เท่ากับมีเนื้อที่บริเวณเป็นจังหวัดจังหวัดนะคถ้าประเทศไทยก็มีเนื้อที่ประมาณ1จังหวัดใหญ่ๆเลยแล้วก็มีบ้านธาตุ14แห่งเท่าอนุราธาบุรีแล้วนกะ็อนุราธานี่ใหญ่ไหมครับทุกท่านเมืองอนุราธาเนี่ยนะก็คือเขากินสวย14 14ตำบลเหมือนกัน14แห่งและก็ที่ของเขามีช้างศึกอยู่14เชือกก็คอือว่าอาณาจักรน้อยๆเนี่ยมีรถอยู่14คันรถศึ ก, ก น, นะทีนี้วันหนึ่งมานกก็ขี่ม้าตกแต่งแล้วมีมาหาชนแวดล้อมไปพื้นที่การงานก็ยืนอยู่ที่สุดเขตก็คือไปไปดูแลที่นาก็เห็นนกมีกาเป็นต้นจิกกินสัตว์มีไส้เดือนเป็นต้นจากที่ถูกไถ ท, ทาลายคือไถก็จะมีสัตว ออกมานะก็เลยถามว่านกเหล่านี้กินอะไรตอบว่ากินไส้เดือนจน้านายถามว่าบาปที่นกเหล่านี้ทําเนี่ยจะมีแก่ใครนะคนคนคิดถึงแต่เรื่องบาปเรื่องกรรมนี่ก็เลยคิดเอ๊่นกมันกินสัตว์นั่นนะใครบาปแน่ทีนี้เขาก็ไม่รู้ก็ถามลูกน้องที่มาด้วยนั่นแหละลูกน้องก็บอกว่าก็ถึงแกพวกท่านแหละจ้านายบาปก็ถึงเจ่านายแหละครับเหมือนกันมานกก็เลยคิดว่าบาปที่นกเหล่านี้ทําเนี่ยจะมีแก่เรา ไอซับแปดบหกโกนี่มันจะทําอะไรเราได้ใช่ไหมก็คือนกพ่วงนั้นมันทําบาปแล้วเราเนี่ยบาปเมื่อเราบาปให้เงินเหล่านี้มันช่วยไม่ได้การนรกปิดนรกอะไรให้เราเลยก็เลยคิดว่าพื้นที่การงานสิบสองยอจะทําอะไรได้สระน้ำหกสิบสระติดเครื่องยนต์หมู่บ้านสิบสี่หมู่จะทําอะไรได้เราจะมอบสมบัติทั้งหมดให้แกนางพัฒนาออกบวชยกให้เมียก็ได้ขณะนั้นแม่นางพัฒนาปิลาณีเนี่ยภรรยาก็ เทหม้องาสามหม้อลงในระหว่างพื้นที่พวกพี่เลี้ยงก็นั่งล้อมก็เห็นกาเนี่ยจิกสัตว์ที่งากินคืองานเนี่ยพอข้อๆมันจะมีพวกนอนพวกอะไรผสมอยู่ในนั้นบ้างเวลาเอางาไปตักพวกนกก็บินมาจิกพวกตัวหนอนตัวอะไรนอนในงานีก็เลยถามว่ากาเหล่านี้กินอะไรแม่ตอบว่ากินสัตว์จ้าแม่นายถามว่าอากุศส น, นี่จะมีแกใครสรุปบาปเนี่ยมีแกใครพวกนกมันกินมแมลงนั่นน่ะตอบว่ามีแก่ท่านเจ้านาย คือแต่ก็ถามคนไม่รู้ใช่ไหมผมก็ตอบส่งเดชไปอย่างั้นนกกินตัวนั้นมันก็ต้องบาปถึงเจ้านายอ่ะใครเป็นเจ้าของก็บาปถึงคนนั้นแหละคล้ายๆกับเพชรฆาตขาวแดงใช่ไหมเพชรฆาตขาวแดงเนี่ยเขาฆ่าโจรอยู่คือตัดหัววัศพสองศพเนี่ยอยู่ประมาณ55ปีอะ่ะตอนหลังเนี่ยเขามานั่งฟังทำเขาเดือดร้อนใจข่าคนไปต่างเยอะแยะเนี่ยสารีบุตรก็เลยถามว่าท่านฆ่าเองหรือว่ามีคนใช้ให้ฆ่า มีคนใช่ค่ะแล้วบาปมันอยู่ที่ใครโอ้บาปต้องอยู่ที่คนสั่งใช่ไหมก็เลยนั่งฟังธรรมได้แลนะได้นุโลมยานด้วย <c oughs> คือพอจิตไม่คิดอีกเรื่องหนึ่งปั๊บมันก็สามารถที่จะส่งจิตไปตามธรรมะได้นี้ก็เหมือนกันานางก็เลยคิดว่าเราเนี่ยควรได้ผ้าประมาณสี่อกก็เลยนึกว่าเอ้ผ้าที่เรานุ่งหม่มจริงๆก็ประมาณแค่สี่อก แล้วข่าสุขประมาณทนานหนึ่งก็ผีว่าอากุศลที่ชนประมาณเท่านี้เนี่ยทำจะมีแก่เราด้วยว่าเราไม่สามารถจะยกศรีรษะให้พ้นจากอัตตะเออจากวัตตะตั้งพันพกพอเมื่ออยบุตรคือมานกมาเราจะมอบสมบัติทั้งหมดแก่เขาและออกบวชนะผู้หญิงก็คิดจะบวชผู้ชายก็คิดจะบวชเรื่องจะเป็นยังไง มานพนี่พอมาอาบน้ำขึ้นสู่ปราสาทนั่งบนบัลลังก์มีค่ามากลำดับนั้นชนทั้งหลายก็จัดโภชนาสมควรแก่จักรพรรดิให้แก่เขาทั้งสองบริโภกแล้วเมื่อบริวานชนออกไปก็เลยพูดกันในที่รับนั่งในที่สบายจากนั้นมานพก็กลับไานางพัฒาว่าดูก่อนแม่พัฒาท่านมาสู่เรือนนี้ท่านนำทรัพย์มาเท่าไหร่ก็คือย้อนหลังสมัยที่เธอมาเนี่ยเอาสมบัติมาเท่าไหร่ตอบว่า ห้า0 0ันเกวียนเจ้านายจำได้แม่นเลยนะขนมาห้า0มื้าพันเกวียนในเฉพาะที่เป็นพวกเงินพวกอะไรนะมานพกกล่าวว่าทรัพ์ในบ้านเนี่ยมีแปดบเจดโกดแล้วก็มีสมบัติมีสะติดเครื่องยนต์60บอยู่มีอยู่ในเรือนนี้ทั้งหมดนั้นเรามอบให้แก่ท่านแต่ผู้เดียวยกให้เลยนะคะนางก็ถามว่าเออแล้วท่านเล่านายก็บอกว่าฉันจะบวชนางก็บอกว่า ฉันก็นั่งมองดูการมาของท่านท่านก็จะบวชจ้านายนะต่างคนก็ต่างคิดจะบวชอ่ะทั้งสองก็บอกว่าพบทั้งสามเนี่ยเหมือนบรรณกุตีที่ถูกไฟไหม้มองเห็นว่าโอ้ยวัฏกามาพบรูปประพบอรูปรประพบเนี่ยเหมือนกับคนที่นั่งอยู่ในศาลาใช่ไหมแล้วศาลามันไฟไหม้ข้างบนอ่ะทำไงดีนะความรู้สึกของคนที่ที่มีความคิดลักษณะนี้นะก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะบวชละ ก็เลยให้นำผ้าเหลืองย้อมด้วยน้ำฝาดบาดกินเหนียวมาจากภายในตลาดยังการและการให้ปลงผมบวช ด, ด้วยตั้งใจว่าการบวชของเราอุทิตพระอรหันในโลกไม่รู้นะว่ามีพระพุทธเจ้าอะไรไม่รู้สักอย่างแต่ว่าถือว่าการโกนหัวบวชในครั้งนี้บวชอุทิตพระอรหันแล้วก็เอาบาดใส่ถลกคล้องบ่าลงจากปราศาทบนาธาและกรรมกรในเรือนก็ไม่มีใครรู้เลยครั้งนั้นชาวนา ชาวบ้านาธาตุก็จําพวกเขาซึ่งบ้านพราหมออกทางประตูาธาตุได้ด้วยสามารถอากกับปากกิริยากิริยาอย่างนี้เหมือนเจ้านายเราเลยเหมือนกันชาวบ้านาธาตุต่างก็ร้องให้หมอบลงแทบเท้ากล่าวว่านาจานายจะทําให้พวกข้าพเจ้าไร้ที่พึ่งหรือทั้งสองก็กล่าวว่าเราทั้งสองบวช ด, ด้วยคิดว่าพบทั้งสามนี่เหมือนบรณารณศาลาที่ถูกไฟเผาผลาญหากเราทั้งสองจะทําพวกท่านคน คนหนึ่งหนึ่งให้เป็นไทยแม้ตั้งร้อยปีก็ไม่หมดนายโกเป็นไทยนายงอเป็นไทยอย่างเงี้ยนะว่าอยู่อย่างงี้ร้อยปีก็ไม่เสร็จเพราะฉะนั้นพวกท่านจงชำระศรีรษะของพวกท่านและจงเป็นไทยเถิดสมัยก่อนเ็ามีระบบทาสอยู่ใช่ไหมเมื่อชนเหล่านั้นร้องให้เขาก็พากันหลีกไปพระเทระเดินไปข้างหน้าก็เลี้ยวมองดูคิดว่าญิงผู้มีค่าในสกุลชมพูทวีปเชื่อว่าพัฒาปิลานีนี้เดินมาข้างหลังเรา ข้อที่ใครๆพึงคิดอย่างนี้ว่าท่านทั้งสองนี้แม้บวชแล้วก็ไม่อาจจะพลาดพลากจากกันได้ชื่อว่ากระทํากรรมที่ไม่สมควร น, นี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้อีกอย่างหนึ่งใครๆจะพึงมีใจประทุสร้ายแล้วจะไปตกคลักในอบายพระเถระก็เลยคิดว่าเราจะควรละหญิงนี้ไปคือควรแยกทางกันเดินดีกว่าพระเถระไปข้างหน้าเห็นทางสองแพร่งก็คือสามแยกกันนะ แล้วก็ได้ยืนอยู่ในที่สุดของทางสองแพร่งนั้นแม่นางพัฒนาก็ยืนไหว้พระเทระกล่าวกับ น, นางว่าแม่มหาจำเริญมหาชนเห็นหญิงเช่นท่านเดินมาข้างหลังเราแล้วก็คิดว่าท่านทั้งสองนี้แม้บวชแล้วก็ไม่อาจจะพัดพราดจากกันได้จะพึงมีจิตคิดร้ายในเราจะไปตกคลักอยู่ในอบายเธอจงทำทางทางหนึ่งในทางสองแพร่งนี้ฉันจะไปแต่ผู้เดียว ถูกแล้วจ้าพระผู้เป็นเจ้าชื่อว่ามาตุคามเป็นมนทินคือเครื่องเศร้าหมองของพวกบันปชิตชนทั้งหลายจะชี้โทษของเราว่าท่านทั้งสองแม้บวชแล้วก็ยังไม่พลากจากกันขอเชิญท่านถือเอาทางหนึ่งเราทั้งสองจักแยกกันนางกระทำประทักษิณสามครั้งก็ไหว้ด้วยเบญจางค่าประดิษฐ์ในฐานะสี่ประคองอัญเชลีรุ่งรุ่งเรืองด้วยท่าสะนข ะ, ะสโมโอทานอ่ะก็ เรียกว่าท่าศานีแปลว่าสิบนะนะขาแปลว่าเล็บนะขาเล็บไงสมโุทานแปลว่าประชุมประชุมเล็บสิบอันรุ่งเรืองขึ้นเหมือนกันก็คือยกมือไหวอ้อ่ะบอกว่ามิตรสันทวะที่ทํามานานประมาณแสนกับทําลายลงในวันนี้โอยอยู่ร่วมกินกันมาตั้งแสนกับแล้วนะบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าชื่อว่าเป็นทักษิณา ทางเบื้องขวาย่อมสมควรแก่พระผู้เป็นเจ้าดิฉันชื่อว่าเป็นมาตุคามเป็นฝ่ายซ้ายทางเบื้องซ้ายย่อมสมควรแก่ดิฉันดังนี้ไหว้แล้วเดินไปสู่ทางในเวลาที่คนทั้งสองแยกจากกันมหาปติพีนั้นครื้นครั้นสั่นสะเทือนดุดกล่าวว่าเราแม้สามารถทรงเขาในจักรวาลและสิเนรุไว้ได้แต่ก็ไม่สามารถจะทรงคุณของท่านทั้งสองไว้ได้ ย่อมเป็นดุดเสียงสายฟ้าบนอากาศทูเขาจาักรวาลก็บะลือลั่น